สิกขาบทที่9เรื่องพระชัพขี6ก5สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันารามของอนาถบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัรคีครั้งนั้นพวกวิสูต์ฉับขีทำคำข้าวใหญ่พระบัญญัติ9พึงทำความสําเนียกว่าเราจะไม่ทำข้าวให้ใหญ่เกินเรื่องพระชัพขีจบสิกขาบทวิพัง ภิกษุไม่พึงทําคํำข้าวให้ใหญ่เกินภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อทำคำข้าวให้ใหญ่เกินต้องอาบัติทุกกฎอนาปัติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข้5้ภิกษุชั้นของเค้ยว6กภิกษุชั้นผลไม้ต่างๆ7จภิกษุชั้นแกงอ่อม8ปภิกษุผู้มีเหตุขัดข้องเก้าภิกษุวิกลจริต สิบที่สู่ต้นบัญญัติสิกขาบทที่9จบ